เพราะเรื่องปัจจุบันเขาอยู่ในโลกแห่งความลุ่มหลงชีวิตในโลกปัจจุบันเขาอยู่ด้วยความลุ่มหลงเขาลุ่มหลงว่าในปัจจุบันนี่อะไรคือรูปอะไรคือเวทนาอะไรคือสัญญาอะไรคือสังขารอะไรคือวิญญาณเขายังแยกแยะไม่เป็นเลยอะไรคืออายตนะอะไรอายตนะภายในอะไรอายตนะภายนอกอะไรคือกิเลสที่เชื่อมโยงอายตนะภายในกับภายนอกก็ไม่รู้สักอย่างจริงๆลุ่มหลงกันขนาดนั้นเพราะฉะนั้น ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็เพลิดเพลินติดข้องในขันที่เป็นอดีตมุ่งหวังขันที่เป็นอนาคตมีความสุขกับขันที่เป็นปัจจุบันเนี่ยนะเพลินมากเลยนะนี่ชีวิตของสัตว์ที่เป็นไปในวัตะเข้าเป็นเช่นนี้สัตว์ทั้งหลายเพลินในในในในอย่างนี้นะเพลินในอดีตอนาคตปัจจุบันโดยที่สุดแม้แต่ไก่ในสุ่ ม, มันก็เพลินเนี่ยนะไก่ในสุมเนี่ยนะก็ยังมีความเพลิดเพลินอยู่นั่นแหละ เน่ยศาสตร์ทั้งหลายที่เขาจะเอาไปเชื่อด้นี้ก็ยังเพลิดเพลิน เ, เคยได้ยินทัวมมรณะไหมถามว่าตอนที่ออกไปเนี่ยเขามีความสุขหรือเขาไปอะไรตอนออกรถปั๊ปปยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขอีกพักเดียวโครมตายหมดล้ว <c oughs> ทั้งๆ ท, ท, ที่เกือบเลยนะก็ยังยังเพลิดเพลินอีกนั่นแหละพระองค์ตรัดคำหนึ่งจะมัวเพลิดเพลินอะไรกันนาะอย่างเ้นเนะคานี้นี่ก็ชอบดีนี่ จะมัวเพลิดเพลิน อ, อะไรกันเนเมื่อโลกมันมืดมิดขนาดนี้นะทำไมไม่สแสวงหาดวงพระที่มานะเ น, นี่ยนะทีนี้มาดูสิ่งที่เป็นข้อปฏิบัตินะถ้าใครอยากจะรู้ข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาแบบย่อๆสั้นๆเนี่ยเห็นชัดเลยใช่ไม้มไม่เพ่งเล็งในขันที่เป็นอดีตเออคิดยังไงจึงจะเลิกเพลิดเพลินชีวิตที่ผ่านมาโดยประการทั้งปวงอ่นะคิดยังไงนจึงจะเลิกสมติณ หายหลังจากวันนี้เป็นต้นไปไปหาวันเกิดเลยเนี่ยนะไม่เพลินแม้แต่นิดเดียวเลยนะคิดยังไงจริงจังไ ม, ไม่น่าเพลินแม้แต่นิดเดียวเพราะแต่ละคน น, นะนะเพลินหรือไม่เพลินนะเขกโคนนี้นะสมัยน่มนมใชยหล่อมากคนนี้นะสมัยสาวสวยกว่านี้เยอะยิ้มแป้เลยใช่ไหมแต่ถ้าถ้าพูดอย่างนี้ปั๊บเมื่อก่อนมันก็ขันน่ะเลยคือถ้าไม่คิดไม่ดีๆเนี่ยนะก็อะไรนะเพลินมากเลยนะมีความสุขมากใน อนาคตยิ้มแต้เลยใช่ไหมอันนี้แหละเรียกว่าเพลินในอดีตคิดยังไงจึงจะไม่เพลินในอดีตอย่างนั้นอนาคตต่อไปนะบอกโอ้เธอเนี่ยเป็นผู้มีบุญมากนะชาติหน้าเธอคงได้ดีแนะ่ฟังอะไรก็ชอบไหมชอบทํำยังไงที่จะเลิกเพลินอย่างดังกล่าวไปคิดยังไงจึงจะเลิกเพลินอนาคตดังกล่าวไป ไม่ได้ห้ามคิดถึงอนาคตนะแต่คิดยังไงจึงจะไม่เพลินในอนาคตคิดยังไงจึงจะไม่เพลินในอดีตพราคนหลายคนไม่ใช่น้อยเลยใช่ไนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ประรบถึงอดีตที่ผ่านมานะเคยเป็นอย่างนั้นเคยกินตรงนั้นเคยเที่ยวอย่างนั้นเคยไปที่นั่นเคยคุยคนนั้นมีอำนาจอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยนะคิดยังไงจึงจะเลิกเพลินในชีวิตที่ผ่านมาในอดีตทั้งหมดนะ คิดยังไงจึงไม่เพลินในเรื่องอดีตแล้วก็ไม่เสียใจในเรื่องอดีตเลยเนะทายังไงคือเราลังดูว่าประยุกต์เอาพระสูตรเนี่ยมาใช้ในชีวิตที่เป็นจริงได้มากเท่าไหร่ต่นนั้นเองคือต้องการว่าประยุกต์กับพระสูตรที่มีที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเราเอามาใช้ได้มากขนาดไหนถ้าเราพอจ ง, งจําเนื้อหาโครงสร้างของอนัตตะลักษณะสูตรเนี่ยนะชัดเจนเลยว่า ข้อความในที่บอกว่าดูก่อนราชะเธอจงเป็นผู้ไม่เพ่งเลงรูปที่เป็นอดีตอย่ายินดีรูปที่เป็นอนาคตจงปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความพ้นรูปที่เป็นปัจจุบันเนี่ยนะคำนี้ไม่ได้ต่างอะไรจากอ น, ตะะนัตตลักษณะสตรเลยคือสิ่งเดียวกันถ้าขยายไปแล้วก็คืออ น, ตะะนัตตลักขณะสุขนั่นแหละว่ตัวอย่างว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ เป็นทุ ก, กข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านั่นของเรานั่นเรานั่ น, น, นอัตตาของเราไม่ควรพระเจ้าค่ะเพราะเหตุ<ก> <Volkswagen> นั่นแหลภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั่นคืออะไรเหตุที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเละรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกอย่าละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลทั้งหมดนั้นเป็นรูป ที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานั่นแหล ะ, น ะ, นะรูปนั้นแหละเธอเพึงเห็นว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราเพราะฉะนั้นรูปในอดีตก็ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปเหล่านั้นเสียเธอเนี่ยนะรูปในอนาคตก็ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายก็จงละรูปเหล่านั้นเสียเธอแล้วรูปปัจจุบันนี้คิดยังไงจึงจักเบื่อหน่ายคิดยังไงจึงจักเบื่อหน่ายในกายนี้ก็ อริยสาวกเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายใช่ไหมคือหน้าเบื่อหน่ายจริงๆเพราะมันไม่เที่ยงอะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เป็นภาระแล้วก็ไม่มีใครมีอํานาจในสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงเนี่ยจึงหน้าเบื่อหน่ายใช่ไหมทีนี้หน้าเบื่อหน่ายก็น่าคลายกําหนัดหน้าติดหน้าคล้องไหมหน้าเกาะเกี่ยวเอาไว้ไหมก็ไม่ใช่ก็หน้าเบื่อหน่ายแล้วก็น่าคลายกําหนัดแล้วก็มุ่งไปเพื่อจะดับรูปนี้ใช่ไหมก็ต้องนึกถึงบทว่ารูป รูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโร ธ, รโรธาคามินีปฏิปทานั้นก็เพื่อที่จะไม่ให้มีอสสาธะเห็นอาทีนวะของรูปในที่สุดก็ปฏิบัติเพื่อความพ้นรูปอันนั้นเรียกว่านิสรณะของรูปเนี่ยแลก็มองถ้าเห็นนี้ปั๊บเห็นข้อปฏิบัติได้เลยว่าพระองค์บอกข้อปฏิบัติไว้เบ็ดเสร็จแล้วนนเราไม่จําเป็นต้องไปไปทําข้อปฏิบัติอันใดอันหนึ่งขึ้นมาเลยคําสอนเนี่ยกล่าวไว้ชัดเจนเพียงแต่ว่าเราเข้าใจาพุทธประสงค์ หรือไม่พระองค์ต้องการให้เรารู้อะไรก็พยายามที่จะไปะยกมานะที่ถามมาว่าเออไปประยุก์ใช้ได้มากขนาดไหนเนี่ยนะคิดถึงอดีตทำยังไงก็อย่าไปคิดถึงมันอนาคตอ่ะก็อย่าไปต้องการมันใช่ตอนฟังธรรมนะตอนเลิกฟังก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วนะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะนะพระองค์ไม่ได้ห้ามคิดถึงอดีตอนาคตหรอกพระองค์ไม่ได้ห้ามอารมณ์นะ แต่ห้ามตันหาต้องต้องต้องเข้าใจนะว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงํออำว่าไม่ควรคำนึงเนี่ยตัวคำนึงเนี่ยอย่าไปคำนึงถึงอดีตแต่ไม่ได้แปลว่าห้ามรู้อดีตอย่ามุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็คืออย่าหวังในเรื่องอนาคตแต่ไม่ใช่ไม่ให้รู้อนาคตถามว่าปุเพนิวาสานุรสติยานใครสอน พระพุทธเจ้าจูตูปปาตาญาณเรื่องอนาคตใครสอนพระพุทธเจ้าใครพยากรณ์อดีตอนาคตเป็นส่วนมากพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ควรคานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรสิ่งไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงขัดกันเองไหมคือไม่ได้ห้ามอารมณ์แต่ห้ามตัณหาทิฏฐิรู้อดีตก็รู้ด้วยอํานาจสติปัญญารู้อนาคตก็รู้ด้วยอํานาจ สติปัญญาซึ่งสติปัญญาเป็นตัวห้ามตันหามานะเลทิฐิพระงก็บอกว่าเพราะเหตุนั่นเลเพราะเหตุที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะรูปในอดีตมันก็แตกคำลายไปแล้วในอดีตรูปอนาคตก็จะแตกคาลายในอนาคตรูปในปัจจุบันก็กำลังแตกคำลายอยู่ในปัจจุบันนี่แหละ น, นะเพราะฉะนั้นรูปในอดีตก็สิ้นแล้วในอดีตรูปในอนาคตก็จกสิ้นในอนาคตรูปปัจจุบันก็ กำลังสิ้นอยู่ในปัจจุบันรูปภายในก็สิ้นอยู่ภายในนี่แหละรูปภายนอกก็สิ้นไปภายนอกนั่นแหละนะรูปอดีหยาบรูปละเอียดก็สิ้นอยู่ณที่นั้นๆ น, น, นั่นแหละรูปเหล่านั้นที่สิ้นไปเสื่อมไปอย่างนั้นก็เป็นรูปที่เป็นทุกทุกยังไงเพราะเป็นไปกับแนอดีต ก, ก็ชาติชาราและมรณนะอนาคตก็ชาติชารามรณนะปัจจุบันนี้อะไรก็ชาติชารามรณนะ เพราะฉะนั้นเมื่อใดเมื่อใดมันก็ชราและมรณะทั้งนั้นแลเธอจะไปเพลิดเพลินอะไรอยู่เนนเพราะความเพลิดเพลินเนี่ยนะเป็นเหยื่อของมารเป็นบ่วงมารเป็นเบ็ดมารเป็นวิสัยมารความไม่เพลิดเพลินเนี่ยเป็นทางเพื่อพ้นจากบ่วงมาร เ, เบ็ดมารและวิสัยมารไม่เพลิดเพลินเลยไปเครียดเลยใช่ไหมไม่ใช่เอาไงนนี้ตกลงทให้ทำยังไงบอกไม่ให้เพลินน่ะให้นั่งบื้อเลย อันนี้ก็บอกให้อยู่ด้วยปัญญาเนี่ยนะนะอยู่ด้วยปัญญาปัญญาเนี่ยเกิดร่วมกับโสมณัตหรือโทมนัตโสมณัตเนี่ย น, นะนะปัญญานี่ผู้มีปัญญาจริงๆอะ่ะเขาพิจารณาทุกแต่เขาไม่ได้เป็นทุกขเขาพิจารณาถึงความเดือดร้อนแต่สภาพจิตตอนนั้นไม่ได้เดือดร้อนเลยแต่เห็นว่าขันทั้งหลายนี่มันน่าเดือดมันเป็นสิ่งที่เดือดร้อนขณะที่พิจารณากลับมีความสุขพระองค์ตรัสว่าการบรรลุอริยสัจนี่เป็นไปกับสุขและโสมนัต อันนะไม่ได้เดือดไม่ได้ทุกอะไรเลยถามว่าในโลกนี้ใครมีความสุขที่สุดก็พระ้าหันทั้งหลายมีความสุขที่สุดเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะท่านเหล่านั้นปฏิบัติเพื่อความผลทุกแต่คนเข้าใจไม่ถูกต้องนะปฏิบัติไปแล้วเงาเนี่ยนะนโยมคนหนึ่งบอกพระอาจารย์เนี่ยโยมไปคิดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาชรามรณะแล้วเนี่ยไม่สบชื่นเลยเขาว่างั้นมันเครียดมากนะเราก็ว่าแล้วเจ้าเนี่ยไม่แยบคาย ก็ต้องทําความเข้าใจให้ดีๆนะบางคนคิดอ น, นิจจังทุกขังอนัตตามากๆ ก, ก, กลายเป็นว่าชีวิตไร้รสชาติสิ้นดีเลยนะอันที่จริงเข้าน่าจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นไปใช่ไหมเพราะอะไรจึงน่าจะมีความสุขดังที่เคยสนทนากันไปครั้งหนึ่งก่อนหน้านนะนะทําไมพิจารณาไม่เที่ยงแล้วมีความสุขทําไมพิจารณาว่าเป็นทุกข์แล้วมีความสุขพิจารณาว่าเป็นอนัตตาแล้วมีความสุขนะไหน เปรียบดังที่เปรียบว่าถ้าพิจารณาโดยความเป็นทุกข์แล้วมีความสุขเหมือนอย่างว่าเห็นอาหารที่มันมียาพิษเนี่ยนะแต่ว่ามันดูหน่าอร่อยมากเลยเรารู้ว่านี้มียาพิษใครกินเข้าไปชักดิ้นแดเดาเดาเเลยนะเรารู้ว่ามันเป็นยาพิษขนาดนั้นแล้วเราไม่ยอมบริโภคนี่ถามว่าเราจะยิ้มหรือเราจะทุกข์ที่รู้ว่ามันเป็นยามียาพิษ ก็ต้องยิ้มใชมันดีนะเนี่ยถ้าถ้าไม่รู้นะั่กลืนเข้าไปเนี่ยเดือดร้อนแน่วันนี้ทำมมีบุญเหลือเกินวันนี้ที่เราไม่ได้กลืนอาหารชั้นเลวชนิดนี้เข้าไปเนี่ยนะ mm. ก็น่าจะดีใจใช่ไหมถ้าเราพิจนารณาสังขารว่าเป็นทุกข์ควรที่จะดีใจให้มากขึ้นดีแล้วเนี่ยนะเพราะไอ้เพลิดเพลินในสิ่งนี้แหละมันพาให้เสียใจมานานแล้วตั้งกันนี้ต่อไปฉันจะไม่เสียใจกับสิ่งใดเลยนะเพราะแกทั้งหลายนี่มันเป็นของลวงเนี่ยนะเป็นของลวงหเห็นอะไรเหมือนมายา ก, กล ขันท่านั่นแหละเหมือนมาอยากเรียกว่าเป็นคนลวงสําหรับดักคนเขา่าเนี่ยนะเป็นคนลวงที่สาหรับดักคนเขา่าเออฉลาดสักทีหนึ่งจะได้ไม่ถูกหลอกกันะจะได้ไม่ต้อ ง, ห, อ ง, องหัวเราะร้องให้ทุกโทมนัสอยู่กับสิ่งเหล่านี้แหละทีนี้มาดูการปุภาประเนี่ยนะการเชื่อมบทหน้าบทหลังเนี่ยเชื่อมบทหน้าบทหลังมีอยู่การเชื่อมอยู่4ประเด็นลักษณะลักด้วยกัน การเชื่อมอัดกับอัดที่เรียกว่าอัดทศนที่เนี่ยนะการเชื่อมบทกับบทเรียกว่าบทพยัยมชนะสนธิการเชื่อมเทศนากับเทศนาเรียกว่าเทศนาสนทิการเชื่อมนิเทศกับนิเทศเรียกว่านิเทศสนทิ4ประการเนี่ยนะการเชื่อมอัดกับอัดก็คือการแสดงโดยสังเขปการแสดงในเบื้องต้นการขยายความการจำแนกะการทําให้เตื่นการรู้โดยประเภทก็เอาธรรมะเหล่านี้มาเชื่อมกัน ดูหน้า14หน้า15เนี่ยนะที่กล่าวถึง อ, อัธบทเหล่านี้เนี่ยนะโดยเฉพาะข้อส0นะในข้อ10เนี่ยสแสดงสังเขปแสดงยังไงนะแสดงโดยสังเขปแสดงในเบื้องต้นแสดงแบบขยายความแบบจำแนกทำเนื้อหาให้ปรากฏหรือว่า ให้รู้เนื้อความโดยประการต่างๆทั้งอัถบทในข้อสิบเนี่ยนะการเอาเนื้อหาเหล่านี้มาเชื่อมกันบทหน้าบทหลังมาเชื่อมกันอย่างนี้เรียกว่าอัถสนทิอัถสนทิส่วนพยัญชนะสนทิก็คือพวกอักษรบทวากยะส่วนแห่งวากยะวิเคราะห์คาขยายความมาเชื่อมกันเนี่ยอันนี้เรียกว่าพยัญชนะสนทิเนี่ยนะพยัญชนะสนทิ พันก่อนในหน้าห้าสิบกับหน้าสิบห้าเป็นต้นเนี่ยนะก็ถ้าไม่ลืมเทศนาหาระเนี่ยนะไม่ลืมเทสน า, าระก็คงไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าเป็นการเชื่อมกัน ร, ระหว่างบทกับบทสับกับสับนั่นเองนั้นก็ผู้ที่แตกฉานในปริญญาเยอะๆเรียนมามากก็ไม่น่ายากเย็นอะไรสําหรับเชื่อมอัดกับอัดเชื่อมบทกับบทเนี่ยนะเอาบทกับอัดมาเชื่อมโยงกันแต่ถ้าผู้ที่ไม่ ได้ศึกษามามากก็มาดูเชื่อมเทศนากับเทศนาก็ได้ในหน้าห้าสิบที่กล่าวถึงการเชื่อมเทศนากับเทศนาดังนี้ว่าบุคคลผู้มีฌานอาศัยดินเป็นอารมณ์แล้วเนี่ยนะย่อมไม่เข้าฌานและเข้าฌานก็ปัทวีนี้เป็นอารมณ์ของฌานได้ไหมได้ปัทวีนี้เป็นอารมณ์ของฌานกี่อย่างสองหนึ่งลัคนูปนิสชาณกับ อารมณูปนิสชานปัวีนะปัทวีนี่แบ่งออกเป็นอา่าปัทวีที่เป็นอารมณ์ของฌานมีสองอย่างชื่อหนึ่งลักคณูปนิสช า, านะนะลักคณูปนิสท า, านไงนไลักคณูปนิสทานแล้วก็สองอารมมณูปนิสชาน โดยที่มีปัทวีเป็นอารมณ์เนี่ยนะลักขณูปนิชชานเนี่ยมีปัทวีเป็นอารมณ์เช่นมนุิการโดยขันธาตุอายตนะยกตัวอย่างว่าปัทวีธาตุเป็นขันอะไรรูปขันเป็นธาตุอะไรเป็นโพธพาธาตุแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งธาตุอย่างอื่นอีกมากแต่ตัวเขาจริงๆเป็น โพธภาธาตุแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งธาตุอย่างอื่นอีกมากซึ่งปฐวีธาตุเนี่ยนะธาตุอีกในหนึ่งก็ตัวปฐวีมียีสบใช่ไหมปฐวียี่สิประเภทสะสัมภาระปฐวีถ้าลักขณะปฐวีนี้เป็นโพธภาธาตุถ้าเป็นสะสัมภาระปฐวีก็เป็นได้ธาตุหลายอย่างเป็นอายตนะอะไรก็เป็นโพธพาอยตนะถ้าลักขณะปฐวีนะ ถ้าสะสมภาระปฐวีก็ก็ได้หลายธาตุการเข้าไปเพ่งอย่างนี้ลักขณูปนิสชานก็คือไดาว่าปริญญาสามนะเจริญปริญญาสามพิจารณาปฐวีเรียกว่าลักขณูปนิสชานส่วนอารัมมณูปนิสชานก็คือการเพ่งโดยกระ ส, สินก็คือ ตรงๆก็คือปฐวีกสินปฐวกสินโดยที่จะปฐวีกสินเนี่ยเป็นอารมณ์เพราะนั้นปฐวีเนี่ยธาตุดินเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งเจริญฌานได้ทั้งสองอย่างคือลัคนูปนิสต์ลลัคนูปนิสฌานกับอารัมมานูปนิสฌานพวกนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งการเจริญทีนี้พระารหันบางรูปท่านก็มีปฐวีเป็นอารมณ์แล้วก็เข้าฌานก็มีบางครั้งก็ ไม่เข้าฌานแต่ถ้าเป็นพระอริยะเนี่ยนะก็อาศัยปฐวีแล้วเข้าฌานเป็นโดยมากไม่ชาอารัมมานูปนิสทานก็ลักคนูปนิสานาท่านจะไม่ปล่อยจิตให้เป็นไปแบบแบบปุตุชนที่เข้าไปซ่องเสพอัสศาธาของมหาผู้หลอกเนี่ยนะเพราะท่านจะต้องไม่เข้าไปเห็นโดยลักคนูก็อารัมมานูปนิสทานไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง นะท่านยังไม่ปล่อ ย, ป ล, อยปล่อยอะไรนะปล่อยกายปล่อยใจไปกับปัทวีอะไรหรอกอย่างน้อยที่สุดมีปัทวีท่านต้องเป็นสิกขาสามไม่สิกขาใดาก็สิกขาหนึ่งละมีน้ําเป็นอารมณ์ก็เหมือนกันนะมีน้ําเป็นอารมณ์เข้าฌานไม่เข้าฌานและเข้าฌานมีไฟเป็นอารมณ์มีลมเป็นอารมณ์เนี่ยดินน้ําลมไฟเนี่ยเป็นอารมณปัจจัยของฌาน ที่สี่เลยนะระดับถึงระดับฌานที่สี่ทีนี้ก็อาศัยฌานเหล่านั้นเพิกเพิกก็เป็นอากาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นมีอากาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็เข้าอากาศสานัญจายตนะและก็กำหนดอรูปวิญญาณคือกำหนดอากาศสาอัญจายตนะเป็นอารมณ์เรียกว่าวิญญายตนะอาศัยฌานอันมีนัตถีภาวะบัญญัติอันนี้เรียกว่า อากินจัญญายตนะและก็มี อ, า, อาศัยฌานที่จัดเข้าในมานายตนะธรรมายตนะที่ไม่มีสัญญาหยาบมีแต่สัญญาละเอียดเป็นอารมณ์พวกนี้ก็เป็นอารมณ์ของเนวสัญญานาสัญญาหยตนะอาศัยโลกนี้อาศัยโลกหน้าคือภพนี้พบหน้าเป็นต้นเนี่ยนะอาศัยสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินรู้แจ้งถึงแล้วสแสวงหาแล้วคิดแล้วสิ่งที่ไข่ครวญแล้ว สิ่งที่คิดเนืองๆด้วยใจโดยเว้นโลกทั้งสองย่อมไม่เข้าฌานและเข้าฌานผ้าหันผู้เข้าฌานนี้อันใครใย่อมรู้ไม่ได้ด้วยจิตอันไม่อาศัยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งคําว่าอาศัยนี่เป็นชื่อของตันหามานติทิเนี่ยนะคือจิตของพระ้าหันเนี่ยไม่มีใครรู้ได้หรอกด้วยอํานาจตันหาและทิฐิในหมู่สัตว์พร้อมด้วยสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ อันเป็นไปในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกเหมือนที่มารผู้ชั่วช้าค้นหาวิญญาณของกุลบุตรชื่อว่าโคทิกะอยู่ย่อมไม่รู้ย่อมไม่เห็นเพราะว่าพระโคทิกะนั้นล่วงพ้นธรรมะที่ขยายวัตตะแล้วแม้ที่อาศัยคือความเห็นผิดก็ย่อมไม่มีแก่พระโคทิกะนั้นเพราะการละตันหาได้แล้วเพราะนั้นอย่าง ปทวีฌานที่มีกสินเป็นอารมณ์ฌานที่เป็นอรูปฌานอารมณ์ในโลกนี้อารมณ์ในโลกหน้าอารมณ์ในที่ไหนไหนทั้งหมดไม่เป็นที่อาศัยของพผ้าหัน์เพราะผ้าหันไม่มีตันหาและทิฏฐิเข้าไปอาศัยในอารมณ์เหล่านั้นเลยเมื่อไม่มีตันหาทิฏฐิเข้าไปอาศัยในอารมณ์ทั้งมวลเนี่ยนะท่านก็แสดงว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยถ้าจุติ แล้วก็สิ้นปฏิสนธิมานก็เลยหาวิญญาณไม่พบเห็นไหมมานนี่หาวิญญาณไม่พบเลยว่าท่านเนี่ยอยู่ที่ใดกำลังกลุ่มหมอกกลุ่มควันเนี่ยค้นหาวิญญาณเลยนะเที่ยวหาหาอย่างไงก็หาปฏิสนธิวิญญาณของพระโคติกะไม่พบเนี่ยนะถ้าของเราสงสัยมานหาไม่ค่อยยากนะอ๋ออยู่แถวนี้เองอะนะแต่ของพผ้าทหารแล้วก็ไม่มีใครหาพบอะนะ พระพาถานก็คือผู้พ้นคติ5ใช่ไหมผู้ไม่ไปในคติห้าผู้ไม่มีการไปในภพสานั้นพาถานก็ไม่มีผู้ใดค้นหาพบว่าท่านมีอยู่ณที่ใดเพราะว่าบัญญัติทั้งหลายก็อาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารนิ ญ, ญานใะหเมื่อสิ้นรูปเวทนาสัญญาสังขารโดยประธานทั้งปวงแล้วจะไปหาเจอจากที่ไหนเพราะฉะนั้นกรรมที่เป็นบาปแน่ดีก็หาไม่เจอเหมือนกันนะทำบาปไปแล้วบาปมันหาขันห้าให้ผลไม่ได้อะก็เลย จบเลยนะเลยพ้นเลยนะอย่างพระองค์คขาเรยมานเนี่ยนะถ้าท่านยังมีขันห้าอยู่นะเดือดร้อนมากสำหรับท่านเนี่ยนะยังเดือดร้อนมากเลยนะแต่ถ้าความที่ท่านดับขันได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านก็เลยพ้นแล้วเนี่ยนะซึ่งต่างจากปุทุชนทั้งหลายแต่กว่าจะเป็นผ้ารหัรได้นะเรามาดูนะอาศัยดินน้ำลมไฟเนี่ยพวกนี้ให้รู้ว่าชานสี แล้วก็อรูปฌานอีกสี่โลกนี้โลกหน้าสิ่งที่รู้ด้วยทวารทั้ง6เนี่ยนะผ่าหานทำปริญญาหมดแล้วเมื่อท่านทำปริญญาหมดแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าทำปริญญาเนี่ยเท่ากับพูดว่าท่านละแล้วถ้าท่านละแสดงว่าท่านทำให้แจ้งที่ท่านทำให้แจ้งเพราะท่านเจริญคำว่าปริญญาเนี่ยต้องไม่ลืมลักขณ า, าระใช่หเพราะเขาจะมาด้วยการสี่คปริญญาประหานะ สัจจีคิริยาและภาวนาเนี่ยนะเมื่อท่านทําปริญญาในสิ่งเหล่านี้แล้วก็แสดงว่าท่านละบาปอากุศลแล้วท่านทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งเพราะท่านเจริญในสิ่งที่ควรเจริญพระโคติกะนี้ที่ทําไมมารเขาจึงค้นหาวิญญาณก็คือพระโคติกะเนี่ยอดีตของท่านก่อนที่จะเป็นพระหันท่านเป็นพลสุขภาพไม่ค่อยดี น, นะแล้วก็แต่ได้ฌานเพราะได้ฌานฌานก็เสื่อมคือได้ ไม่ป่วยนี่ก็เจริญได้ชานพอได้ชานก็ป่วยพอป่วยชานก็เสื่อมนะรักษาหาโรคกว่าหายพอโรคหายอีกเจริญชานได้ชานอีกป่วยอีกชานเสื่อมอีกอยู่อย่างนี้6ครั้งเนี่ยนะป่วยอยู่6ครั้งครั้งที่7ทําทชานได้ก็เลยมาคิดนะว่าคติของผู้ที่เสื่อมจากชานนี่ไม่ค่อยแน่เพราะฉะนั้นเราฆ่าตัวตายก่อนที่ชานจะเสื่อมนะแล้วท่านก็เข้าใจเรื่องเจริญวิปัสสนาอะไรเป็นอย่างดีหมดแล้ว พอท่านเชื่อดคอปับเนี่ยนะคตินิมิตมันปรากฏคตินิมิตที่ดีนะคตินิมิตเช่นเทวดาหรือพรหมเนี่ยปรากฏปั๊บเนี่ยท่านอาศัยนิมิตอันนั้นเจริญนิัพ ส, สนาเลยรู้รู้ว่าเนี่ยวัตถามันยังมีท่านก็อาศัยสิ่งนั้นเจริญอนุปัสนาบรรลุอริยมรรตตามลําดับถึงอรหั ต, ตมรรตปัจเวคนาญานเกิดก็ดับขันปรินิพพานเลยโอ้ถือว่าหวาดเสียวที่สุดเลยนะนะ แต่ว่ายังไงท่านก็ไปดีละยังไงท่านก็ไปดีอยู่แล้วนะถึงถึงไม่บรรลุก็ไปดีอยู่แล้วภวักะลิก็เหมือนกันพระวักะลิเนี่ยนะก็เจริญวิปั ส, สนาตอนที่ฆ่าตัวตายเหมือนกันพวักกะลีนี้เจริญอนุปั ส, สนานี่อย่างดีแล้วก็นึกว่าเป็นพผ่ารหัสแล้วเขาเรียกว่าที่มานะเนี่ยนะที่ ม, มานะคือไม่ได้บรรลุแต่สําคัญว่าได้ บรรลุก็ป่วยเหมือนกันสุขภาพไม่ค่อยดีมันเบื่อหน่ายร่างกายมากและอนุปัสนาท่านเจริญดีท่านก็ น, นึกว่าท่านเป็นผ้าหานะันแล้วเพราะกิเลสไม่กลุ้มรุมอะไรมันก็เลยเชิดฆ่าตัวตายพอระหว่างฆ่าตัวตายเนี่ยคตินิมิตรปรากฏท่านก็รู้ว่าตัวเองยังเป็นปุถุชนอยู่ก็เจริญวิปัสนาแล้วก็บรรลุเป็นผ้าหาันแล้วก็ดับขันปรินิพานเหมือนกันก็บางครั้งก็คือมีปัทวีเป็นอารมณ์เนี่ยนะ ปัทวีกสินเนี่ยเป็นอารมณ์ของฌานก็มีไม่เป็นอารมณ์ของฌานกมาโโม็มีอาโปมีนะมีอาโปอาโปเนี่ยเป็นอารมณ์ของฌานก็ก็มีไม่เป็นอารมณ์ของฌานก็มีมแล้วก็เชื่อมโยงกันมาลักษณะนี้เรื่อยๆจนถึงว่าผ้าหันเนี่ยไม่อาศัยในสิ่งเหล่าที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดไม่อาศัยด้วยตัณหาและทิฏฐิเนี่ยนะก็เชื่อมมาหาว่าบุคคลทั่วไปกับผ้าหันเนี่ยนะต่างกันอย่างไร อันว่าพ า, ารหันต์นี้เป็นเป็นผู้ที่ไม่ไม่อาศัยแล้วซึ่งต่างจากาบุคคล ท, ทั่วไปเนี่ยนะซึ่งมีการอาศัยมีการอาศัยในสิ่งเหล่านี้อาศัยด้วยอำนาจตันหากับทิฏฐิส่วนพ า, ารหันต์ไม่อาศัยแล้วเพราะฉะนั้นพ า, ารหันต์นี้จึงล่วงพ้นธรรมที่ขยายวัตตะคือพ้นตันหามานะทิฏฐิเพรา ะ, ะนั้นพยามารก็เลยค้นหาปฏิสนธิวิญญาณไม่พบ ก็เป็นการเชื่อมเทศน า, านะตามที่ดูเนื้หาก็เหมือนกับว่าเชื่อมเทศนาของอบุคคลเนี่ยนะเชื่อมด้วยเทศนาว่าบุคคลทั่วไปกับผ้าลรหันเนี่ยต่างกันอย่างไรผู้เข้าฌานซึ่งเป็นผู้มีจิตอันไม่อาศัยหมายถึงว่าอย่างผ้าลรหันเนี่ยมีจิตที่ไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิใน อันโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโล ก, อ, โลกอันมูสัตว์พร้อมด้วยสัมณพราหมณเทวดาและมนุษย์ย่อมรู้ไม่ได้เพราจิตของผู้ที่ไม่อาศัยตันหาทิฐิเลยเนี่ยนะเป็นคนที่รู้ยากกว่างัน้นอันนี้ก็เหมือนกับแบบอะไรนะคนในโลกนี้มันคนนิ่งๆเนี่ยรู้ยากเหว่ากันในชะ่แต่ถ้าใครแบบแสดงออกเปิดเผย เ, เลยเนี่ยนะรู้ไม่ค่อยยากแต่นิ่งเฉยๆเนี่ยรู้ยากว่างันจะเอาไงกันเนี่ยนะเรียกว่าอ่านยากมากถ้าถ้ามีกานิ่งเลยนะีย ก็อะไรนะนิ่ ง, งสงบสงบเนี่ก็พวกเคลื่อนไหวนี่นึกไม่ออกเลยเอาไงกันแนนะ่ก็พูดน้อยคนอื่นก็เกรงใจขึ้นเยอะใช่ไมไม่รู้เขาจะเอาอยัางไงอะ่ะใช้อย่างเดียวเนี่ยนะไม่รู้เขาชอบหรือเขาชังไม่รู้ใช้อ่นะรู้ยากางงเหมืนั้นแ่นี่ยแค่ธรรมดานะ